ได้เวลาแล้วเป็นเวลาที่มีค่ามันมารู้จักคุณค่าของเวลาสุดท้ายก็ถึงเวลาค่าแล้วถึงบอกว่าการเวลา ย่อมคืนคืนสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเองด้วยมันค่อยค่อยฆ่าทีละนิดทีละนิดค่อยค่อยฆ่าจนตายเมืม่อตายเัื่ไหรแลวรวก็หมดเวลาเพราหมดเวลาเือตายนั่นเองเพราะนั้นพวกเรายัางไม่หมดเวลา ยังมีเวลาก็ให้เราให้ความสำคัญกับเวลาคือแบ่งเวลาให้มันเป็นวันวันหนึ่งควรจะทำอย่างไรจัดระเบียบมันกับตัวเราเองเพราะงั้นเราจะเอาดีอะไรไม่ได้อะไรในวันวัน ก็หมดไปวันหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งวันสองวันเจ็ดวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็นนะับเอา <c oughs> ว่าได้หนึ่งวันสองวันสามวันอายุอันามที่ได้มานจริงมันไม่ได้มานะมันเสียไปอายุที่ได้มาคือเวลาที่เราเสียไปแล้วทำให่ ไ, ได้มา เพราะฉะนั้นถ้าเราหมกประมาทยวกับสิ่งเหล่านี้คิดไม่เป็นแยกแยะไม่ออกว่าจะจัดการยังไงกับชีวิตแต่ละวันเรามาดูความคิดของคนของมนุษย์ว่าวัานวันหนึ่งคิดยังไงยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องของงานงานหนัก งานเบาเราชอบอะไรสมมติว่างานหนักงานหนักทั้งวันวันหนึ่งเราทำงานมาตรฐาน7จ็ดแชั่วโมงอันนี้คือการทำงานในเรื่องของการงานเรื่องของเวลา โบราณท่านกล่าวไว้ว่ามิใี่กล่าวเรื่องถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าใช้เวลาอย่างไรในชีวิตประจาวันเราเคยอ่านบ้างไหมเราเคยศึกษามว่าพระพุทธเจ้าวั น, วนหนึ่งท่านทํางานยังไงทํางานวันละกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมง ทำงานกี่ชั่วโมงที่เราคิดว่าเราทำงานหนักหนักมากๆลองเทียบกับพุทธเจ้าเราคิดว่าเราทำงานมากกว่าพุทธเจ้าไหมท่านบอกโบราณท่านบอกว่าอย่างนี้นบอกพุทธเจ้านอน 4, สี่เศรษฐีนอนหกญา่าจบแม่นอนปากไปส0บชั่วโมงยี่สิบชั่วโมง กุญานอนสี่ก็แปว่าหลังเที่ยงคืนแล้วถึงจะได้สมงพักพอนหังตืง่นขึ้นมาคอนรุ่งก็พิจารณาถึงสรรพสัตว์อะไรก่อนแ้นั่นงทำงานมาตลอดควรจะสมงบรรทมก็โปรดเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งหลายมาฟังทาส่วนกลางวันก็อยู่กับมอยู่กับคนเราทั้งวัน ไม่ได้พักมาก ไ, มได้พอ น, นี่คือพระพุทธเจ้าบพระพุทธเจ้าของเรานะั้นมีเวลาทรงบรรทมคือนอนสี่ชั่วโมงเท่านเองวั น, นนี้มาดูกับพวกเราพรนอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก็ น, น่ีาจารบอกว่ า, วาเออนอน่ฝึกได้นะกินฝึกได้แต่ฝึกได้มันสบายจะไม่มีปัญหาของชีวิต บวมถึงร่างกายด้วยะถ้าคนอย่างนี้เป็นประจําเรื่องกินเรื่องนอนมันมีผลต่อร่างกายแล้วก็เจ็ดใจนี่คอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านอนสี่เศรษฐีนอนหกคนที่เขามีเงินมีทองเขาขยันเขาไม่ได้นอนมากอย่างพวกเราท่านอะไรหลังจากทํามาค้าขายอื่นแล้วคิดคิดคิดคิดคิดก่าจะคิดแผ น, ว, นวันนี้ทําอะไรวันนี้ทําอะไรวันนี้ทําำอะไรมาบ้าง ปนี้คี่จะทำอะไรวางแผนไว้ก่อนมีเวลานอนน้อยนี่คือเศรษฐีก็ทําหากินกันเศรษฐีนอน6กย้าจบเนี่ยนเวลาไม่ได้ทีนี้เราเร า, เราทุกวันเราต้องเทียบเวลาสี่หกหรือว่าอะไรถ้าอย่างนั้นก็นอนหมนพระพุทธเจ้าไม่ได้มดเมือนเศรษฐีไม่ได้ เราก็เหลือแต่ยาจบันเองใช่ไหมมันถึงไม่แปลว่าถึงเป็นยาจบ ก, กันเราเป็นยาโจ ก, กันเพราะเราไม่ได้ดูพระจรยิยวัดของพระพุทธเจ้านั่นคิดพูดถึงงานการทํางานมนุษย์เองเขาบอกว่าชอบงานเ บ, บาๆไม่ชอบงานนักงานสบายก็ไม่รู้ว่าสบายกายหรือสบายใจ ถ้าสมมติว่างานแบบหนัหนกๆทำแล้วมันไม่สบาย7จดแปดชั่วโมงโดยเฉลี่ยแล้วเจ็ดปดชั่วโมงว่างานส่วนตัวก็ดีงานราชการก็ดีโดยประมาณที่ว่าเป็นสาคนแปดชั่วโมงหลังแปดชั่วโมงแล้วก็สบายพักผ่อนอันนี้คืองานอาชีวิตประจำมันอันนี้เรียกว่าหนักนะแล้ว ง, งานที่มันเบา ไม่ต้องใช้อะไรเล ย, เลยคิดว่าเราทํางานไหนสะดวกกว่ากันงานเบาๆก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยกายก็ไม่ต้องรืออย่างไรว่าจาไม่ต้องอย่านั่งอยู่เฉยๆนะ่ะ ถ, ถ้าชอบแบบสบายสบายนั่งเหมือนที่เรานั่งเนะคิดว่าเรานั่งได้นานไหม นี่คืงานเบานะหรือไม่ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอางานหนักขนาดนั้นทางานเบาๆแบกหมอนแบกสําฤีแบกนุ่นเองานเบาๆทาได้ไมเจ็ดแปชั่วโมงแล้วก็ชอบนอนเอานอนมาเลยเจ็ดปชั่วโมงนอนยาวเลยไม่ได้ ดันั้นเราต้องมาถามมาเออที่ว า, างงานงานหนักงานบอดมันคืองานของอะไรงานหนักงานบอดมันไม่เคยค่าข น, นสติเขาเป็นคติเขาเสตีอย่างนี้นะงานไม่เคยค่าคนนั่นคืคนไม่ชอบงานเขาขี้เกียจแต่อยากได้เงินนี่คือคนไม่เคยดิ้นนคนขวายในะงานในเรื่องปฏิบัติของพวกเราก็เช่นเดียวกัน น, นการจัดระบบความคิดในบื้นงตนน้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดจระบบความคิดจะจางไรมาดูตัวอยา่างพระพระสงจ์องค์พระององเจ้าอาตมานีนาน่คิดว่านั่งอยู่เฉสบายไม่ได้สบายวันหนึ่งสารพัีทิวินเขหาคราวว่าญาติโยมพระสงฆ์องค์พระเจ้าปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกัน ประหานหนักโกกหนักใจมันไม่เหมือนกันทำท่าว่าเข้าใจชีวิตแต่จริงเราไม่เข้าใจยกตัวอย่างพระชวนไกเข้าวันสารพระท่านจะมาบ่อยๆทุกฐาละทิ์แต่ละองค์ก็จะถามหามีวัดร้งไหมวัดร้งคือวัดที่ไม่มีพระสองฆ์อยู่ ก็ไม่เข้าใจว่าแนวความคิดต้องการอยู่ว่ากางเพราะอะไรบางกระบาต้องการอยู่ถ้าแต่อยากอยู่คนเดียวบางกระบะไม่อยากอยู่กับคนนี่ปัญหาของพระพระกรรมฐ า, านนี่แหละก็เลยถามเขาว่าไม่อยากอยู่กับคนแล้วคุณประโยูกับใคร คนอยากอยู่คนเดียวอยู่วัดนนะ้าไม่มีพระไม่มีคนแล้วจะอยู่กินกันยังไงอยู่ในถ้าอยากอยู่คนเดียวแล้วจะไปชั้นที่ไหนก็ตอบไม่ได้เห็นไหมวันนั้นต้องตอบกันได้ต้องบอกกันได้ถามใอ้เหตุผลลึกๆยิงคืออะไร ต้องการหาความสงบแสดงว่ามีเป้าหมายเป้าหมายเข้าใจถูกต้องแล้วเรว่าหลักการถูก ต, ต้องแต่วิธีการใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าคนก็ต้องอยู่กับคนต้องพึงพาสงสักันโดยเฉพาะยิ่งการทดสอบอารมณ์ต้องใช้คนถ้าอยู่คนเดียวจะทดส อ, สอบกับใครก็าจะดูได้ไงว่าเราดี เราชั่วคิดดีทําตัวอย่างไรเรารู้ได้ยังไงยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวลองดูเรามันนั่งดูตรงไหนก็ได้ลองทดสอบดูก่อนในโบสถ์ในสไลดที่ไหนก็ลองนั่งอยู่คนเดียวมันสบายไหมมันสงบไหมถามว่าความสงบอยู่ที่ไหนเราเข้าใจอยู่ท่ามแล้วจิตมันจะสงบ จะสบายอยู่ว้าอยู่คนเดียวก็วจะสบายคิดอย่างนั้นโดยไม่รู้เหมือนกันว่าพื้นฐานของคิดเอามาจากไหนแต่รู้ว่าอย่างอยู่คนเดียวเพื่อเกิดความสงบก็ในเมื่อใจมันไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่สงบเพราะความสงบมันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่ถ้ามันอยู่ที่ร้างมันอยู่ที่ป่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอะไรเลย นะั่นเป็นปัจจัยที่เอื้อให้จิตของเรามันเกิดความส ง, งบเท่านั้นเองแต่ถ้าอยู่และใจมันสับสนวุ่นวายมันก็เหมือนเดิมมันหนักกว่าเก่าพอถ้าอยู่คนเดียวเรามันจุบต้องต่อสู้กับความคิดการตัวเองถ้าต่อสู้ไม่ได้สุดท้ายก็ปล่อยเลยตามเลยเหมือนในชีวิตประจาวันของผู้เราเราต่อสู้กับอะไรก็รต่อสู้กับสังขารสังขารจะไป็นที่รูปร่างกาย สังขารก็คือสังขารโลกกับสังขารธรรมต้องถามว่าใจเราอยู่กับอะไรเราสังขารในความนึกคิดปรุงแต่งในชีวิตประจำวันในแต่ละวันนะเราอยู่กับอะไรอยู่กับโลกหรืออยู่กับธรรมอย่างนี้มากกว่าน่าจะถามถ้าจะถามตนเองอยู่กับโลกก็แปลว่าเราปรุงแต่งอยู่กับโลกวั น, ว, นวันหนึ่งวันค่ำหกโงเช้าหกโมงเย็น อยู่กับโลกคือสังขารโลกเอาโลกมาปรุงมาแต่งทั้งวันเน่ยสังขารโลกเราจะห า, าควสมสงบมาจากไหนไม่รู้สังขารทำเอาทำมาจิตรมาพิจารณาบ้างไหมไม่เลยนะมันจะห า, าความสงบมาจากไหนเพราะสังขารสองอย่างนะั้นเป็นตัวที่มีอิทธิพลเป็นตัวชี้วัดว่าใจของเราจะจุดตรงไหน มันจะเป็นอย่างไรในชีวิตปัจําวันถ้าเราแยกไม่ออกมันก็จะนสับสนวุ่ น, านวายก็รู้อะไรเป็นอะไรสุดท้ายก็ตามหาความสงบทั้งพระสงฆ์องค์จ้าคาราวาัตญาติโยมหาความสงบไม่ได้ก็ไปตามหาตามหาสถานที่ถ้าอยู่อย่างนั้นแล้วปฏิบัติกรรมฐานสะดวกก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติยังไงปฏิบัติงงตอะไรพอเราจัดการไม่ถูกบอกมันถูกว่า จริงๆแล้วต้องการอะไรต้องการเวลาต้องการสถานที่ต้องการบุคคลนะเวลาสถานที่บุคคลสำคัญที่สุดมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนะเวลาเวลาไหนเหมาะเวลาไหนควรสถานที่ก็เช่นเดียวกันบุคคลก็เช่นเดียวกันดังนั้นคะือเร่าสปายะถ้าอยู่ป่าแล้วบุคคลมไม่สปัปปายะ มันจะอยู่ด้วยกันยังไงได้ธรรมะมันจะสปายะยังไงนีเกิดธรรมะได้ยังไงเขาบุคคลมีการเกิดการขัดแย้งในเรื่องสังขารโลกสังขารธรรมมันต่อสู้กันคนหนึ่งเอาคุยแบบโลกโลกคนหนึ่งคู่แบบธรรมมันก็ขัดแย้งกันมันขัดแย้งกันในตัวนะเราจะหาความสงบได้ยังไงแต่เราไม่สามารถที่จัดการสังขารความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งอันนี้ได้มันก็ยาก เพราะว่าความรู้สึกความคิดปรุงแต่งนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราแต่ละคนหนึ่งที่เรียก ว, ว่าสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วเกิดแล้วมันไม่ดับปรุงไปเรื่อยปรุงจนเกินนึกถึงข้าวลอาหารที่เรากินเข้าไปที่เรากินได้นะครับเพราะว่ารบปรุงมันพอเหมาะพอดีมันรสมันไม่ไปทางไหนมันไม่เค็มเกินไปไม่เปรี้ยวเินไปไม่แผ็ดเกินไป เนี่ยมันพอดีพอดีมันเหมาะเจาะมันกลมกล่อมเนี่ยอาหารเห็นไหมถ้ามันเกินไปเอาเกลือหนักไปมันก็กินไม่ได้เผ็ดมาไปก็กินไม่ได้เนี่ยอาหารหรือทางใจความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งนี่ก็เช่นเดียวกันเราสุดตรงทางใดทางหนึ่งจนมากเกินไปโดยเราที่ไม่สามารถที่จะปรุงการู้สึกนกคิดกรุงแต่งของเรานะมันจบมันพอเหมาะพอดี มัน ม, มีความพอดีนะในจิตมันฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้แต่ว่าประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าจิตของเรามันปรุงแต่ฟงฟุ้งร้านเพราะขาดสติปราศจิตสติกากับดูแลเพราะนั้นที่เราฝึกกรรมาฐานเฝึกกํมามดันต้องการให้จิตของเรามีสติจริงๆเดียวให้มันเจอให้เราจะเจอสติตรงเมื่อ ก็เจริญในทุกด้านไหนก็ได้ายืนเดินด น, นั่งนอนให้มีสติคอยควบคุมกากับดูแลอยู่เสมอให้เรารู้ตัวว่าจะทําพูดคิดอะไรก็ให้ม่รู้ตัวถ้ามันไม่รู้ตัวมันก็กเดือดร้อนแต่าการกระทำเรี่ยวทางกายถ้าเราไม่มีสติคอยกากักบดูแลมันก็เดืดร้อน ทางวาจาไม่กำกับดูแลจะพูดสักตัวพูดอะไรก็ได้วาจาชั่วหยาบหยาบคายเพื่อเจอแล้วอะไรบุนไปทั้งวันวันนั่นม่เนี่ยวาจาเรียกว่าวจีกรรมกรรมที่เกิดจะวาจาเกิดจะกปากของเราทั้งนั้นกรรมทั้งหลายมันเกิดเพราะเหตุนี้ตัวสุดตัวสุดท้ายคือมโนกรรมคือกรรมทางใจเกิดจากการู้สึกนึงคิดปรุงแต่งทั้งสามดาบนั้นมันไม่ดับ เื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ดับไม่ดับก็คือมันสามารถกากับดูแลจิตใจคือกายวาจายแจ้งที่อะไรมันลําบากใครลําบากก็ตัวเรานี่เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเขาไม่จําเป็นต้องไปหาที่อื่นทําปาเขาอะไรก็แล้วแต่เพราะ น, นั้นมันประเด็นรองลงมาประเด็นหลักก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัตปทาเน้นอยู่สมัยว่าให้เราดูตัว เ, เอง ดูกายดูว่าจะดูใจของตัวเราเอมันดีก็ดูมันไม่ดีก็ดูมันคิดดีก็ดูคิดไม่ดีก็ดูให้ดูสองอย่างดูมันเกิดเฉยๆขึ้นมาใจก็ดูดูสิว่าอารมณ์ไหนนี่เป็นประโยชน์แต่ทุวนเราไม่ค่อยรู้เหมือนับเราก็ปล่อยปะละเลยไปเรืยเหมือนกับมีลูกมีเต้าแล้วไม่ดูแลรักษาก็ปล่อยไปตามชะตากรเป็นเทีเท่ยวจเตะ มันก็กลับมาถึงเวลา ก, กลับมาบ้านตื่นช้าเข้าไปก็ไปเที่ยวแต่จะอยู่ตลอดเวลานะจิตของเราเนี่ยก็เหมือนกันมันไม่อยู่บ้านคือไม่อยู่กับตัวมันเป็นเที่ยวเที่ยวทั้งวันมันเที่ยวไปไหนก็มึมนรถเที่ยวเลยหล่อจอดจัดไม่มีสถานีไม่มีเป้าหมายไปไม่เปื่นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเรานั่งปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อ จิตมันก็วิ่งก็หาตัวนเป็นยังไงในกะารวิ่งก็หาตัวมันก็จะรู้ตัวจริงเอาไปข้างนอกมันก็จะไม่รู้ตัวเนี่ยครูบาอาจารย์นักเปรียบชัดเจนมากชัดเจนจนมองภาพออกนะท่านก็เปรียบไปฟังดูเสมอว่าเหมือนไปฉายนะเราเปิดไปข้างนอกฉายมันเราไม่เห็นตัวเราเองแต่ข้างนอกเห็นหมดเหมือนกัน การที่จิตออกไปข้างนอกไปดูนั่นนี่นู่นคิดไปสารพัดนั้นก็เหมือนเราเปิดไฟฉายส่องออกไปข้างนอกคนอื่นรู้หมดอ่ะคนอื่นชั่วรู้คนอื่นดีรู้ผู้หมดแต่ตัวเราไม่รู้เพราะไม่เห็นไม่เห็นตัวเราเองแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรคนอื่นก็ชั่วมีผลต่อเราไม่เกี่ยวกันเลยคนอื่นเขาดีเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยคนอื่นก็ารวยเข า, เาได้อะไรไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตัวเราเอง หันไฟายกลับมาส่องตัวเราเองเราก็จะเห็นไม่งั้นเราก็จะตามไฟฉายเราทั้งชีวิตเลยก็คือตามได้เราตั้งแต่เกิดจนตายสุดท้ายหมดเวลามันดับเมื่อไหรก่ก็สุดท้ายก็คือเดินมาทั้งชีวิตไม่เห็นตัวเองคือไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองเลยเมื่อไม่เห็นก็แปลว่าแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ รู้จักตัวเองแท้จริงนะหันกลับมาเพราะงั้นการปฏิบัติธรรมคือต้องการัสติวิ่งก็หาตัวเราเองก็คือส่องเอาไว้ใส่หันกลับกับข้างมาส่องดูตัว เ, เองเราจะเห็นตัวเราเองสูงตา่าำดำขาว ด, นะดีแย่อาบน้ำสกปรกสกมกกระนันก็จะเห็นเหมือนส่องกรนะจกดูเราก็จะเห็นตัวเองเลยแล้วก็จะแก้ไขสกปรกอาบน้ํำชำระนะจิตเรานั้นก็เหมือนกันถ้ารู้มันคิดไม่ดีมันสกปรกนะมันเหม็นนะ มันไม่เป็นที่ต้องการนะก็ชําระชําระด้วยศีลสมาธิปัญญานี่ได้เป็นตัวชําระเหมือนร่างกายโอ้มันสุกปกก็อาบอาบน้ำชําระร่างกายฟันสุกปรกก็แปรงหัวศีรษะไม่สะอาดก็สระนี่เราก็ชําระอย่างนี้ทุกวันกายเราถึงได้สะอาดแต่ใจของเราเราไม่เคยชําระมันสุปกปรกโมามานาน เมื่อเราไม่ชําระโทษมันก็เกิดเหมือนร่างกายของเราสมมติเราไม่อาบน้ําไม่สะผมไม่แปรงฟันกลิ่นตัวกลิ่นปากสารพัดเนี่ยเห็นไหมของเน่าของเหมือนมันก็แสดงออกมาปรากฏตัวเห็นแล้วก็ชําระอาบน้ําแปรงฟันสะหัวมันก็ไม่ก็มีกลิ่นคือสะอาดขึ้นมาใจเราเนี่ยเหมือนกัน ถ้าเราไม่ชำระเลยลำบากสกปรกสว ม, มแล้วมันให้ผลที่ใครให้ผลกับตัวเองคือตัวเราเองการปฏิบัติธรรมจรงึงมีคุณค่าประโยชน์มหาศาลแต่ที่สำคัญคือเป็นงานเบามากมา ก, มากไม่ต้องลองทุนอะไรเลยเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องแทบว่าไม่เสียเงินสักบาทเลยเป็นทำบุญที่คุ้มค่าที่สุดลงทุนน้อยที่สุดได้ประโยชน์สูงสุดนี่ย นี่คือผลของปฏิบัติธรรกับงานอันคำทั้งวันเหนื่อยได้เท่าไหร่ได้มาเป็นเงินเดือนเงินดาวเด็กก็หมดไปหามาหมดไปหามาหมดไปแต่ใจในสติเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่หมดเหมือนสตังค์นะัสตังค์นั้นมันมีกันหมดไปเซเว่นก็หมดแล้วได้มา300ร้อยไปเซเว่นก็หมดไปแล้วก็หาม า, มาใหม่อีกเนี่ยแต่สติไม่ใช่ตัวงันข้าม ถ้ามันมีแล้วท่านเป็นแล้วถ้ามันเกิดแล้วถ้ามันเพิ่มมากขึ้นมาขึ้นมันไม่มีลดสติไม่มีลดมีแต่เพิ่มสติมันเกิดขึ้นกับใจแล้วมันยิ่งกว่ามีทรัพย์ยิ่งกว่าของมีค่าใดๆในโลกนี้สตุ้งสตังที่มีอยู่นะหาบาก็หมดไปสุดท้ายคือตายไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สต่างแต่สติไม่ใช่มันติดอยู่ที่ใจเพราะใจมันไม่เคยตายมันตายเฉพาะกาย ผูพังไปมันก็ตายไปแต่สติมันไม่ตายนะใจมันไม่ตายนะแลถ้าใจมันไม่ตายแล้วมันไม่มีสติคอยกำกับอะไรมันจะไปไหนมันก็ไปตามเหมือนอ้อมใจเหมือนที่เราคิดมันแต่ละวันเราคิดอะไรปรุงอะไรนึกอะไรมันก็วิ่งไปหาตัวนั้นถ้าใจมันหยาบใจมันต่ําใจมันนึกถึงข้อนไม่ดีนึกถึงสิงสาราสัตว์ใจมันก็ไปสิงสูงอย่ากบสิงสาราสัตว์พูงไงแล้วจิตเรานึกอะไมันก็ไปเกิดอย่างนั้น จิตมันระวังนะสำคัญมากๆากนะจิตไม่ใช่ธรรมดามาถ้าจิตมันมันต่ํามันหนักมันก็ลงหนักจิตมันเบามันก็ไปที่สูงเนี่ยจิตเรานั่งเหมือนกันต้องทําจิตให้มันเบาอย่าทําจิตให้มันหนักทกวงนั้นจิตเรามันหนักกายหนักเราระเรีแบของโลกกายมันหนักรูแต่จิตมันหนักเนีเราไม่เคยรู้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยส่องดู เรารู้แต่กายแต่ใจไม่เคยรูย้ประเด็นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องการให้เรารู้จักใจตัวเราเองว่าใจมันต้องการอะไรที่แท้จริงใจไม่ต้องการอะไรมากมายต้งการความพอดีพอเหมาะพอเจาะเพราะนั้นเองมันอยู่ได้ใจไม่เหมือนกับกายนะมันมีเท่าไหร่มันไม่พอสตังมีหาเท่าไหร่มันไม่เคยพอนะได้เท่าไหร่ไม่เคยพอน ะ, ะอันนั้นเรื่องกาย มันนั้นการปฏิบัธรรมต้องการให้พวกเรามีอุดมคติอย่าน้อยก็คือคือเป้าหมายในการชีวิตจะต้องทำอะไรแก้ปัญหาชีวิตในชีวิตเรียนต้องทำอย่างไรแก่โดยการให้เรานึกอยู่สมาว่าสมมติว่าเราคิดทุกคนมีความคิดทางนั้นคิดอยู่ทั้งวันไม่มีใครที่มมีความคิดเราถามว่าคิดอะไรคิดโลกหรือคิดเรื่องธรรม ต้องแยกมันออกถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจตัวเองว่าเออที่เรื่องโลกน่ะเขาเขามุ่งอะไรเรื่องธรรมเขามุ่งอะไรเรียกว่าโลกกับธรรมมันคู่กันอย่างนี้มาตลอดชั่วกับชั่วกันชั่วน า, นาตามปีแล้วแต่เราไม่ดูตราไม่พิจารณ า, าไปดูแต่สิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเท่านั้นเอง เราอยากได้อะไรก็แสวงหา Canada. อยากมีอะไรก็ทำให้มันมีอยากเป็นอะไรก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่มันไม่สิ่งที่ใจมไม่ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นน้ำม้อยแสดง่ะสุขทุกข์มันเกิดพออย่างนี้อืมอันนี้เราต้มองสองข้างคือทั้งดีก็มองไม่ดีก็มองสิ่งที่อยากได้ก็มองสิ่งไม่อยากได้ก็มองคือสิ่งที่ดีก็ดูสิ่งที่ไม่ดีก็ดูต้องดูทัง้งสองอย่าง มันดูคนอะ่ะจะไปดูอย่างเดียวแล้วคนเรามีทั้งสองอย่างมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีคู่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่ามนุษย์เราต้องการเฉพาะสิ่งที่ดีอยากดูแต่ของดีพอของไม่ดีเหมือนตัวเราเราก็เลยไม่รู้จักว่าคบกันนานๆอยู่กันนานนิสัยที่มันไม่ดีเพึ่งมาเห็นเพึ่งมาเจอตอนนี้ลําบาก อยู่ด้วยกันไม่ได้ครอบกันไม่ได <the Abend> ้เพราะไปเจอทุกข์มเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้มาตอนนี้ทําไมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่หละมันเป็นงี้มานานแล้วมันมีมานานแล้วเมันคู่กันมานานแล้วสุขทุกข์นี่มันคู่กันมานานแล้วโลกกับธรรมเขาอยู่กันงี้มานานแล้วแต่เราไม่ดูเราไม่พิจารณาเป็นอย่างนี้นั้นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมก็คือต้องการให้เรารู้จักโลกรู้จักธรรม และสุดท้ายมันจะรู้จักความพอดีเมื่อขอพอดีขึ้นในใจแล้วจิตใจก็จะอยู่ตรงกลางอยู่แบบสบายสบายแบบบอก พ, พอจมันลดข้าวปลาอาหารแล้วก็ใครกินก็ได้ก็เหมาะคทธาตกับขันนี่เป็นข้าวลาอาหารที่เกินนี่มันสอนเราทุกวันทุกเรื่องเสื้อผ้ า, าพ่อนที่เราใส่ในี่ก็เหมือนกันมันคับเกินไปใส่ได้ไหม สบายไหหลวมกันไปใช่ไหมสบายมันพอดีเสื้อผ้ากับองคงกานเกงทุกอย่างมันสอนเราอยู่ทุกวันว่าต้องพอดีนะพอดีคือต้องพอเหมาะพอเจาะสุดท้ายคือพอใจคนที่พอใจได้ต้องใจพอถ้าใจไม่พอไม่มีทางที่เกิดความพอใจมันมันนั้นปฏิบัติธรรมไม่มีทางเลยที่จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ ไม่มีเลยเพราะนั้นเยันย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าให้ดูตัวอย่างพรนะพุทธเจ้านะพุทธเจ้าของเราทํางานหนักมากพอ ท, ท, ท่านประสบความสำเร็จแล้วท่า น, านพักผ่อนก็ได้อยู่แบบสบายสบายก็ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรก็ได้ท่านหมดภาระทุกอย่างแล้วเรื่องโรคเรื่องธรรมเข้าใจหมดเรา่องอยูเนือสิ่งเหล่านี้นะท่านก็ยังมาชี้แจงแสดงแนะนำสัพประรดทั้งหลายเวเนยสัตว์ทั้งหลาย ด้วยความอินดูด้วยความสงสารนี่คือพุทธคุณก็คือพระปัญญาที่คุณพระโกนาทิคุณพระมาหาโกณาทิคุณพระบริสุทธิคุณคุณของพระพุทธเจ้าที่เ ร, รากราบระไหวนะครับเราตึองถึงพระุทธเจ้าเนาะถ้าเนึกอะไรไม่ออกก็อันนึกถึงพุทธคุณเหมือนที่เราสูดลมหายใจเข้าออกพดทอมันวิเศษจริงๆ ทวนนั้นเราลืมพุทธโธเ ร, ราโกรธมโหพอใจไม่พอใจลืมเพราะะฉนั้นอย่าลืมคำคำว่าอย่าลืมก็คือเราโกรธเราโมโหไม่พอใจอย่างนี้อารมณ์เสียให้นึกถึงพุทธโธอาจจะเข้าโพธิอาจจะออกโธให้มันที ท, ทีให้มันเยอะๆให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียเดี๋ยวมันก็หายอารมณ์เราหายคือมันดาดคือมันจางลงไปก็เหลือแต่พุทธโธนะมันเป็นของดีจริงๆนะพุทธโธ ไม่อายนี่แต่ทุกวันเราลืมโมขึ้นมาไปแล้วพุทธโธกไม่อยู่ทำโม อ, อยู่สังโคก็มาอยู่นะเนะพราะเราลืมดังนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ทําให้เป็นประจําให้เป็นนิสัยหายใจเข้าหายใจออกสติกากับพุทธโธลมาหายใจเตรียมกันทีน่เสมอจนมี อ, นอารมณ์เปอันเดีย ก, กันโดยเอกขอารมณ์แล้วนะเป็นอารมณ์ที่มีคุณค่ามากที่สุดมันอยู่คนเดียวอยู่คนหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราจะรู้จัก สิงที่มันกระทบเร็วผัสสะผัสสะคือจากการขึ้นไหวไปมาที่มันกระทบใจเราทําให้ใจเรากระเทือนมันกระทบแล้วมันกระเทือนใจใจเราก็เทือนคือสันวันไว้ไปตามสัญญาอารมณ์ที่มันกระทบเร็วปฏิคัตคือพูดง่ายๆก็คือมันวันไหวไปตามโลกกระทำที่มันปรากฏอยู่เพราะใจเราไม่เน่งให้เป็นอันเดียวกันสุดท้ายเราก็โดนโลกกระทำนี้ยําตลอดเวลา เป็นลูกฟุตบอลให้มันทั้งเตะทั้งโยนซาลาพัดกิ่งไปขึ้นมาโดยมันเตะตลอดเวลาเราเราไม่เห ย, ยุดนะใจเราที่ไม่เป็นสัมปัิที่ไม่รู้จักธรรมที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็หยุดอารมณ์ทําอนอางแนวนี้เพไมะนั้นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าทั้งหมดนั้นถ้าจะหยุดหยุดที่ตัวเราเองหยุดที่เป็นสังการโลกสังการธรรมและพิจารณาว่า ที่มันกลังปรุงมันแต่งนะมันเป็นโลกหรือธรรมสุดท้ายก็อยู่กับโลกปุงก็เรื่องของโลกตัวเรื่องมางธรรมไม่มีน้อยมากเมือเรามาเทียบดูว่าถ้าจิตมันปรุงอยู่กับโลกแล้วผลมันเป็นยังไงซึงเราก็รู้ถ้าจิตมันปรุงอยู่กับธรรมแล้วผลมันเป็นยังไงเราก็ตัดสินใจเองได้ว่าเออเราจะเลือกโลกหรือธรรม แต่ถ้าจิตไม่ฉลาดที่มันไม่ฉลาดคือมันมีอวิชามันไม่รู้มันก็ น, นึกไม่ออกโลกก็ไม่รู้ทำก็ไม่รู้อันนี้ลาบากแนละ้วไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไปทางไหนก็ไม่ได้ลาบากนะหมดลมหายใจเมื่อไรหมดเวลาเมื่อไรถูกเวลาฆ่าทิ้งเมื่อไรหมดแลวนะดีวด่าตายอย่างเขียดตายอย่างหมูหมากละไ่ ตายยังมีประโยชน์เลยนะวันนั้นเราเป็นคนเป็นมนุษย์จะไปตายอย่างนั้นให้ตายอย่างไม่สติตายอย่างมีสติสัมปชัญญะตายอย่างมีประโยชน์ให้สติอยู่กับตัวอยู่เสมอจะมีคุณค่าและสติสตอนนี้มันจะเป็นคุณค่าสุดท้ายจะเป็นเครื่องอาศัยที่ขึงยึดเหนี่ยวคือเป็นที่พึ่งทางใจซึ่งทุกวันนี้ไม่ค่อยมี หาที่พึ่งก็หากันทีพึ่งทางกายที่พึ่งทางใจก็ยังแยกไม่ออกสุดท้ายก็อยู่กัโลกอยู่โลกโลกก็อยู่กันไปหมดลมหายใจเมืไเดืดร้อนอะไรกรู้แต่ก่อนเดืดร้อนเพราะอะไรก็ไม่เคยถามทุกข์เพราะอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าทุกข์มันทุกข์อะไรทุกข์กายก็ไม่รู้ทุกข์ใจก็ไม่รู้แต่รู้ว่าทุกข์คนเออทำไมทุกข์หรือเกินแยกไม่ออกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยดูกันไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติมาเราเกิดมาไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้ ด้นั้นเราท่านทั้งหลายทีเป็นนักฝึกนักหัด น, นักปฏิบัติก็ควรคำนึงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันอยู่เสมออย่างพระเจ้าก็พูเออให้เป็นพระทุกวันนะไม่ไม่ว่ากายของเราเป็นพระไม่ได้ไมันเป็นอะไรทําใจให้เป็นพระทุกวันถ้าเราถึงวันพระเมื่อไหร่ก็เจวันถึงจะเป็นข่าววันพระรู้จักวันพระครั้งหนึ่งหกวันหายไปเลยนะ มันอไปรัพระนะนนี่ยพระมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่กายกายเป็นเรื่องสมมติผ้าเหลืองเป็นเรื่องสมมติสวมไปแต่ว่าพระจริงมันอยู่ที่ใจถ้าใจไม่เป็นพระต่อไอ้ผ้าเหลืองมาห่มมันก็ไม่เป็นพระแค่เอาผ้าเหลืองมาห่มเป็นสัญลักษณ์มาห่มใส่ตัวเองอย่าไปโทษสัญลักษณ์ตัวเราไปโทษสัญลักษณ์ก็โทษพระอาว่าพระทําไม่ดีอย่างนัมันไม่ใช่ คือคนทั่วไปธรรมดาธรรมดาหมอือพวกเราพอเหลียวม่อมมาบวมนรุญติกันมาก็มาได้แป่ว่าเป็นของผู้วิเศษวิโสมาทันทีต้องเห็นใจท่านเหมือนกันให้โ อ, อกาสให้เวลาท่านพระก็คือคนคนก็คือพระแต่ที่สาคัญคือท่าใจเป็นพระแล้วมันเป็นหมดพวกเราก็เป็นคารวะใจโยก็เป็นพระได้คือใจเป็นพระไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงกายเลยนพระอันนี้เพราะนั้นการเดบับธรรมเบื้องต้นมือใจเข้าสู่ ขั้นแรกก็คือโซดาโซดาไปติมากแล้วผูว้ท่านชื่อว่าพระอริยะคือชื่อเป็นพระแล้วแม้เป็นชาวบ้านก็เป็นพระเป็นฆราวาสาญโยบริสุทธิ์ไปการก็เป็นพระได้เป็นพระอะรอยิยะถึงขนาดนั้นแล้วศีลจะมั่นคงศีลห้าจะมั่นคงและรัตนนาฏไรจะมั่นคงไม่มีอะไรที่มันอคอนแคนิวันไหวถ้าเป็นใจเราเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากพระรัตนนาฏไรนั้นะ พระจเราถึงขณนันแล้วสบายพบชาติที่มีอยู่แมคกาะว่าการเวียนว่ายตายเกิดในการข้างหน้ามันก็เหลือไม่กี่ปีไม่กี่ชาติไม่กี่ปีก็หมดภรระหมดสิ้นแล้วอั น, นั้นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราทั้งหลายเพราะว่าเราต้องหลายได้ถึงเป้าหมายในะสิ่งเหล่านั้นคนุณยถึงเป้าหมายในะีต้องเดินนะถ้าอยากถึงเป้าหมายแต่อยู่เฉยเฉยไม่ขยับไม่ก้าวมันก็ไม่ถึงเดินก็คือปฏิบัติ ถ้าใม่ปฏิบัติก็อยู่เฉยๆก็คือไม่เดินมันก็ไม่ถึงเป้าหมายข้างหน้าบันนั้นการเราปฏิบัติทุกวันเดินทุวนแน่นอนวันหนึ่งมันจะถึงแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอันนี้เป็นธรรมะเป็นกําลังใจให้พวกเราตั้งหลายสําหรับวันพระนี้ขอให้พวกเรามีใจเป็นพระทุกคนทุกท่านทุกท่านเออ